ท่านเพิ่อ่านทั้งหลายหรือท่านเูิฟังวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนางเทพิดาดอกบวดอกบวบขมคือสาธิกีเทพธิดาสำหรับสาธิกีเทพิดา น, นเรื่องราวมาอย่างนี้ใ้สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ เวลานั้นตาโกวะสาวกขององค์สมเด็จพระบรมพุทูที่เป็นพระอาหารหันติพานพระเจ้าจึงสั่งให้ทาในสัถูกคือเป็นเจดียน้อยๆแล้วก็ดูฝังไว้ที่นั่นก็อยู่ใกล้ๆ ก, กับบ้านหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อตามบาลีนะแต่ชื่อของเธอคงมี หญิงคนนี้เป็นคนจนมากตอนเช้าก็ไปตัดฟืนในป่าตัดฟืนได้ไม่มากพอแบกมาถึงบ้านได้ตอนเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จนำฟืนไปขายก็คำํำแต่ว่าเจตนาของเธอดีเธออยากจะทำบุญทงกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้ว่าอาศัยความจนบังคับ ความไม่ว่างมาครับไม่สามารถจะไปทำบุญได้อย่างนี้สมัยนี้เป็นปัจจุบันอาจจะมีมากเหมือนกันเห็นเขาทำบุญก็มีความชื่นใจอย่าจะไปทำบุญตัวเองก็จนตอนเช้ากินข้าวแล้วต้องไปตัดฟืนพ่อข้าวไปกินด้วยตอนเย็นก็ตัดฟืนเสร็จก็กลับแบกฟืนกลับ เย็นจานั้นหน่อยก็นำฟืนไปขายมันก็พอกินไปวันวันหนึ่งจะเหลือบ้างเลิกน้อยอาศัยที่เป็นคนจนคงกินกับข้าวไม่มากจะมากก็คือข้าวจะขยกกักข็ดตังไว้มาวันหนึ่งเธอไปตัดฟืนเห้นดาวบวบขมบานเจ้ามีสีเหลืองค่้ายจีวรพระ ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในใจว่าดอกบัวคุมนี้มีสีคล้ายจีวรพระเมื่อเวลาเรากลับเราจะนำดอกบัวคุมนี้ไปบูชาเจดีย์ที่เขาบรรจุกระดูกพระอรหันต์พอตอนเย็นตัดฟืนเสร็จเธอผ่านมาก็ตัดดอกบัวคุมนี้มาพอดีเธอมาบ้านด้วย เมื่อกลับบ้านขายเฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จ ก, กินข้าวกินปลาเสร็จจึงตั้งใจว่าวันนี้ท่านีวิตเราเกิดมาเราไม่เคยทำบุญสมัยนี้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระวัติแล้วในโลกมีพระอาหารหันต์มากชาวบ้านก็าฟังเทศ ก, กันเขาไปทาบุญกันเรามันจนไม่สามารถจะทาได้ แตลว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ทำเราจะนำดอบโบขมนี้ไปบูชากระดูกว่าอารหรันเมื่อคิดแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยตามเท่าที่เพิ ง, ง, ง, งมีถือดอบโบขมไปถึงถึงรัวบ้านปากปากรัวบ้านก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งเวลานั้นนางยักษ์สีแปลงเป็นโบไม้รูปอ่อน คิดเธอถึงเธอถึงกับความตายแต่ว่าถ้าญาติโยมนางหลายจะถามว่าเพราะอะไรนางยักยษ์ในจึงผิดก็ขอตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทางบาลีไม่ได้บอกเพราะเป็นการจองเวรจองกรรมกรรมม า, าถ้าใดก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเธอตายทั้งท่านในจิตคิดจะไบูชากระดูกพระอาหารหันต์ ก็ถือว่าเป็นสังขารโนสติกรมรมฐานตอนนี้ญาติโยมของเธอตั้งใจดีนะพอนนี้คิดตามด้วยว่าเธอว่าตั้งใจจะไปบูชากระดูกพระอรหันต์เอล่านัน่งกำลังเดินไปนางยาัเสนีแปลงเป็นวัวแม่มรู อ, อ่อนคิดจะถึงความตายเธอตายพร้อมๆกับจิตกําลังจะคิดว่าจะไปบูชากระดูกพระอรหันต์ บุญเล็กน้อยเท่านี้เท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นปัจจัยเคยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเดวโลกเป็นนางฟ้ามีนิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารทุกอย่างเครื่อประดับของเธออดีวิมายอดีชีเหลืองหมดทั้งหมดเป็นชีทองสวยสดงดงามมากเธอมีความสุข เมื่อนึกถึงความมีอยู่ในะสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นภาพที่เป็นมนุษย์ว่าเราเป็นคนจนเราไม่สามารถจะทําบุญได้พระพุทธเจ้าก็มีเราฟังเทศน์ไม่ได้พระหลานก็มีเราฟังเทศน์ก็ไม่ได้ใส่บาตรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะใส่ใจมันอยากจะทําบุญนี่ว่ากระทึงใจนะนี่เจตนาขอเขาดีเขาก็ตั้งใจคิดว่ามันจะเป็นจะทําบุญ ตั้งใจเป็นมนุษย์เสมอต่อมาเมื่อทบดอบวกผมก็ตั้งใจว่าจะป็นบิชาเจดีบบที่เขาฝังก็ดูกพระเจ้าเพราะภาษาบกไว้บางเอิญนางย่าคินีผดตายเป็นมัวเม่อ่อนเธอก็คิดว่าเออชีวิตมนุษย์มันมีความลำบากยากแค่อย่างนี้เวลานี่เราเป็นนางฟ้า มองดูวิมานก็สวยสดงองามมีสีเหลืองอารลัมดูเครื่องมรดับกายก็สวยสดงามมีสีเหลืองอารามมากก็คิดในใจว่าตายจากความเป็นคนมันดีกว่าเวลานี้เราเป็นนางฟ้าความหิวก็ไม่มีอิ่มทั้งวันไม่ต้องกินความร้อนเกินไปก็ไม่มียินเกินไปก็มีมันมีแต่ความสุข กิจการงานที่จะต้องทำอย่างตัดฝืนก็ไม่มีไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างวิมานทั้งหมดก็สะอาดไม่มีฝุ่นละอองดูราบขอบคิดขอวิมานก็ดีนางฟ้าที่เป็นบริบารตั้งพันคนก็คอยเอาออกเอาใจแต้งานที่จะใช้นางฟ้ามันก็หายากเพราะงานไม่ไม่เหมือนมนุษย์ ตรงความว่าเธอมีความสุขควาเพิยรท น, นทิพย์สมบัติคืนวันนั้นบังเอิญพระโมคคัลลาความจริงพระโมคคัลลาน์ในตาประวัยของท่านเวลาเจริญกรรมฐ า, านเพราะจิตเป็นสุขก็ไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวนรกบ้างไปเจอคนนั่นเจอคนนี้ถ้าเจอเทวดานาฟ้าที่เกิดใหม่ก็ถามว่ามาจากไหนเธอเคยทําบุญอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้น พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรญาติีน้องชื่ออะไรแล้วแล้วว่าคนที่รู้จักเธอยังมีชีวิตไหมถ้าก็ตอบว่ามีท่านก็จะนำเอาบุญกุศลนี้ก็ทําแล้วไปเกิดไปเทวดาเกวับนางฟ้าเป็นต้นมาบอกกัญาติให้ญาติมีความดีใจญาติจะมีความอินใจว่าญาติของเรามีความสุขถ้าญาติของใครตกนรกเขาทำอะไรก็นํ า, ม า, า, า, ม, า, า, านมาบอกเช่นเดียวกัน เป็นการเทศตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเพื่อจะบ้านมีความเข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคัลลานี่เป็นพระที่มีความสำคัญมีกำลังใหญ่ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคนที่ยูนความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาจากพระโมคคัลลามากพระท่านเคอบอกเขาอย่างนั้น คืนวันนั้นพระโมคลลาหลังจากทำสมาธิพอสมควรก็ใช้กำลังัฆษณาญาณพอสมควรเพราะาหันไม่ต้องทำอะไรมากเพราะจิตบรรทรงโตอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นเวลานี้เราจะไปไหนก่อนความรู้สึกก็บอกว่าควรจะไปสวรรค์ก่อนก็ ข, ขึ้นไปบนสวรรค์ไปเที่ยวดู ร, บรอบๆของสวรรค์ ถ้าถามว่าสวรรค์ไม่กว้างเราไม่แคบก็เพระกว้างมากแต่สายความไม่ท cool. ิพมันไปเร็วมากปรเดี๋ยวก็ถึงโน่นประเดี๋ยวก็ถึงนี่ก็พอดีไปเจอวิมานหลังใหม่มีสีเหลืองอันลามเป็นทองคำความจริงวิมานเป็นทองคํานะและมีเครื่องประดับทั้งหมดเป็นสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนกันนางฟ้าผู้เป็นเจ้าของก็มีความสวยสดงดงาม นี่เครื่องประดับเป็นทองคําเหมือนกันที่เหลืออะารหมดแก้วก่อนเหลืองเชื่อกกนเหลืองผ่านองก่นเหลืองเหลืองหมดเหลืองเข้ากับวิมานท่านก็สงสัยว่าเมื่อคืนที่แล้วมาเราก็มาที่ตรงนี้แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างไม่มีวิมานแต่ว่าวันนี้มันมีวิมานเกิขึ้น คงีะเป็นนางฟ้าที่มาเกิดใหม่จึงได้เข้าไปใกล้วิมานก็เราทำถึงถึงเจ้าของวิมานนางฟ้าผู้เป็นบริวารก็ไปแจ้งให้ชาตริกีเทพบิดาทราบชาตริกีเทพดาออกมามาต ก, การท่านตั้งใจจะไหว้พระมานานแล้วมันไม่ได้ไหวภาษาที่เป็นมนษุษย์ไหวไมื่กันจะไหว้ห่างๆเพรเป็นคนจนไม่มีอะไรจะทําบุญ วันนี้ก็ดีใจได้ไห้พระใ ก, กล้เข้าไปใกล้ท่านกราบลงไ ป, ไปกใกล้เท้าของโมคัลาเมื่อเงยหน้าเขามานั่งนั่งพัะเพียอพนมมอืองท่าโมคันลาก็ถามว่าพระกินิ ด, ดูก่อนนอ้องหญิงอาจจะมาอยากจะทราบว่าเธอเพิ่งมาเกิดใหม่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าคท่านก็ถามว่า มายของเธอก็เหลืองเป็นทองคำเครื่องประดับทั้งหมดที่เป็นแก้วก็ดีว่อะไรก็ตามมันก็เหลืองทั้งหมดเครื่องประดับกายก็เหลืองร่างกายของเธอก็สวยเมียสมีกายสว่างมากอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้ฟารห์กีเทดายยกมือขึ้นไหว้แล้วกราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเป็นคนจนเจ้าค่ะ เป็นคนหาเช้ากินค่ำต้องตัดฟืนขายแล้วก็กิ่งขายเข้าได้แล้วได้เงินมาก็มาซื้ออาหารกินเช้าก็ต้องไปโอ ก, กาสที่ทําบุญทางกุศลก็เขาไม่มีเลยใจน่าอยากทําบุญอารมณ์เป็นกุศลแต่ถ้าว่ามันจนจนเกินกว่าคนอื่นที่เขาใจพึงจนที่นี้มาวันมาวานนี้ฉันไปตัดฟืน ก่อนที่ถึงตรงกองฟืนถึงถึงป่าที่มีไม้เห็นดอกโบกขมดอกหนึ่งบานสวัยมีสีเหลืองค่ายิวันพระก็นึกในใจว่าดอกโบกขมนี่มีสีเหลืองค่ายิวันพระก็เกิดความเดิมใสตั้งใจคิดว่าดอกขมนีม่ดอกบกขมนี่สวยด้วยค่ายิวันพระด้วย ตอนเย็นถ้ากลับมาจะตัดไปบูชากระดูกพระสารทที่ก็ฝังไว้ใกล้กล บ, บ้านที่ทำเป็นเจดีไว้เมื่อตั้งใจตอนนั้นก็ทำตามที่กล่าวมาแล้วในสุดก็ไม่ทันจะถึงถูกต้นยรกษีฝึกตายจะเป็นเป็นวัวไม่รู้อ่อนสิตตายพระโมกข์กระลามา่อทราบนั้นแล้วก็ยกมือสาทุให้สาทุ ก, การพอดีและดีแน้องหญิง เธอทำความดีทั้งความดีถึงแม้ว่าจะเป็นผลเล็กน้อยก็ย่อมให้ผลขึ้น่องที่ว่ากฎข้องกรรมจะเป็นความดีก็ตามจะเป็นความชั่วก็ตามแม้จะเเพียงเล็กน้อยก็ตามทีย่อมให้ผลเ ป, เป็นปกติแล้วพระบุคลาก็กลับเธอก็อยู่เป็นสุขมาถึงเรื่องนี้บรรดาญาโยมวับริษัจเวลามันยังมี ก็ขอคุยกันต่อไปว่าการทำบุญบรรดาทนใดมันอยู่ที่ใจถ้าเจตนาของเราเป็นกุศลสมมติว่าบรรดาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตอนเช้าใส่บาตรแล้วเราทำบุญแล้วแต่ว่าก็คิดว่าหลังจากนี้วันพรุ่งนี้เราจะทำบุญด้วยอะไร เราจะหุงข้าวเราจะมีแกงอะไรตั้งใจไว้เวลานี้มันก็เป็นบุญไว้กันนี่ว่าบรรดาท่านสาวธุชนหลายหนึ่งวันพระทําบุญหนึ่งครั้งนี่ว่าสองวันพระทําบุญหนึ่งครั้งตามฐานะตามเวลาที่พรงให้นี่ว่าเมื่อตั้งใจจะทําบุญอาจารย์ที่ตั้งใจอยู่เวลานั้นถือวจิตเป็นบุญ นั่อย่างถ้าบังเอิญไปตายเวลานั้นเข้าอีกคนเข้าที่ท่านที่เป็นบุญบุญกุศลก็ดูตัวอย่างสาธิกีเทพธิดาจะต้องอย่างน้อยไปสวรรค์เหมือนกันทั้งนี้ก็ราะรพราว่าผู้เจ้า ก, กะว่าทานางสักกโสทานางทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบสนสวรรค์ <c oughs> ขอบันดาญ ย, ยากโยมพุะทวาริศทุกท่าน เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตจงเอาจิตคิดจะทำบุญไว้เสมอเขาว่าทำมาทาบุญในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องใช้เงินใจทองใช้ของเสมอไปอาการแรกเรานึกถึงความตายว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายไม่ไม่มันไม่อยู่ตลอดดฟัง ไม่มีใครสามารถจะทรงร่างกายอยู่ได้ไม่เมื่อถึงกาลระสมัยเมื่อไหรมันก็ตายเหมือนั้นนึกถึงความตายแล้วเราก็ไม่ประมาดในชีวิตคิดว่านับจังร บ, บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สร้างความชั่วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ตายแล้วมันมี ม, ม, มีตัวไปอยู่สองทางเครือไบยภูมิกับสวรรค์เป็นต้น แต่หากว่าเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วตายจากความเป็นคนก็ไป น, นรกจากนรกก็มาเป็นเปรตจากเปรตมาสุรกายจากสุรกายมาสัตติชันถ้ามาเป็นคนก็ยาวดีไม่ได้ถ้าเราคิดดีคิดถึงบุญกุศลคิดยังไง คิดถึงมสงสุญกุศลคือหนึ่งคิดถึงความตายในเมื่อเราจะต้องตายเราจะไม่ยำลงอบายภูมิเราจะเชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งยอมรับต้องถือพระธรรมเป็นที่พึง่งยอมรับต้องถึงพระเจ้าถือพ ร, ระ ส, สงฆเป็นที่พึง่งหลังจากนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาทที่พระเจ้าให้ ว่าปานาติปาตาเวรามณีเราจะเว้นยากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ยอมฆ่าสัตว์เราจะไม่ยอมทรมานสัตว์คนที่แล้วให้มันแล้วกันไปไม่ทานึกถึงมันเมื่อฆ่าแล้วก็แล้วกันไปไม่รักทรัพย์แล้วก็แล้วก็ไปเลิกกันเลิกคิดเลิกคิดถึงอารมณ์โช่ที่ผ่านมาแล้วตั้งต้นไว้แต่เฉพาะความดี อาการที่สองเราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ขมโมยทรัพย์จะไม่ยื่นแจ้งทรัพย์จะไม่คุกงทรัพย์เขาบอกคนผู้ใดนึกเห็น อ, อกเห็น อ, อกใจเห็นเห็นใจเราใจเขาเราหัวแหงทรัพย์ฉันใดเขาหัวแหงทรัพย์ฉันนั้นอาการที่สามเราจะไม่ทําการมสุเมชาจาร ไม่ละเมิดความรักในสามีพัญญาและบทิดาของเขาคนที่มีสิทธิปกครองเขายัางโหงเหห์ท่านใดเรากับเขาก็มีสภาพเหมือนกันสามีพัญญาบทิดาของเราเราก็รักไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดเขาก็ไม่ต้องการให้เราละเมิดไหมือกันไอ้เมื่อเราไม่ละเมิดของเขาเขาก็ไม่ระเมิดของเรา ถ้าเราเขาจะระมิดของเราก็ช่ามันถ้าไม่ระมิดของเขาก็แล้วกันอดใจไว้อาการที่สามพูดตรงไปตรงมาถ้าทางดีแล้วก็ ก, การพูดควรจะเป็นนักสีอย่างคือนักพูดจริงสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียที่เขาแตกราวกันถ้าสีไม่เพอ้อเจ้อเหลวไหลไรประโยชน์ พูเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดตามนั้นอย่างนี้เราพอใจที่พอใจถ้าต่อไปเราจะไม่ดึงสุราระมีไรเพ <c oughs> ราะสุราจะมีไรนี่เป็นเครื่องทายทำลายศักดิ์ศรีเราเคยมีศักดิ์ศรีดีมีเกียรติดีถึาดึงสุราเะมีไรเข้า ไอสุรามีไรมันทำให้จิตเราเมาลืมตัวทำตนไม่นคนบ้าแล้วไม่เคยร้องเพลงแล้วก็ร้องได้ถ้าไม่เคยเสีย ง, งส่งเสียงอวยๆวแล้วทำเราก็ทำได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสุรามันเมาการดึงุา้าอย่างเลียวจะทำลายสินทั้งหมดกรองความว่าเรายอมรับนละถือพระพุทธเจ้าคำดี สองยอวนัตถิพระธรรมสามยอมนัตถิพระอริยสงฆ์แลก็สี่มีสิห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาจงพุทธบริษั์ฝาตกีเทกดาสู้เราไม่ได้เธอมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ในนางฟ้าหนึ่งพันเป็นปณิวารเราจะมีวิมันแก้ว พระสวัสดก็ถือว่าวิมานทองคํามาเป็นบุญเป็นเทวดาท่านความที่มีบุญน้อยที่สุดที่มานทองคํานะแต่ว่าถ้ามีบุญมากคือไปวันนั้นต้องเป็นวิมานแก้วตาเลี้ยง่ามาแล้วทั้งหมดนี่มันถึงวิมานแก้วนี่ถ้าบรรดา ญ, ญาโยจะยาถามว่ามันเผลอบ้างจะเป็นไรไหมก็ตอบ ว, ว่าไม่เป็นไรเรองการเผลอพัง้งไปของธรรมดาพวกวันชิน ถ้ามันเผลอไปแล้วก็ขอเขามาโทษแต่พทธเจ้าเสียตั้งใจใหม่เอเราจะไม่ยอมเผลอแต่ใหม่ๆ ม, มันก็อดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาว่าทำบ่อยๆมันก็เกิดอาการชินทีเราก็มานั่งนึกถึงความจริงตามที่พระเจ้าสอนธรรดาญาติโยมพุทธวบริษัทธ์เนี่ยมีกำไลมากถ้าไม่โอกาส ทาบุญทางอุศลมากมีโอกาสได้ฟังเทศมากไม่รู้ประดังความเป็นจริงความเป็นจริงมากแล้วก็มานั่งนะึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันดีไหมโอกาสดื่มน้ำนะก็ดูความเป็นมนุษย์ของเราไม่ต้องไปดูของเขา แต่มากคนมักคนเรามักจะดูของคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็ดูเราเองก็แล้วกันถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าเรามีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ก็นึกถึงกฎธรรมดาว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องแก่ไหมความแก่มันเป็นสุขหรือความแก่มันเป็นทุกข์ ก็ต er no ้องตอบได้แน่นอนความแก่เป็นทุกข์การขล่องตัวไม่มีหูฝ้าตาฟางฟันก็ไม่ดีเรื่องเลี้ยวแรงก็หมดไปปัญญาก็ทริปลงการไม่มีการคล่องตัวมาเป็นทุกข์ขอได้เคยทําเองได้ก็ทําไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไาะแรงมันไม่มีต่อสายคนอื่นเขาให้การยืมคนอื่นยืมจมูกคนอื่ก็หายใจเป็นของไม่ดี อาการที่สองความปวดไข้ไม่สบายเป็นสุขหรืเป็นทุกข์ก็ตอบได้ว่าความปวดไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์อาการที่สามการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขแลือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์อาการที่สี่ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบประมาณเป็นทุกข์ การที่ห้าจะถามว่าความตายยัขับมาถึงมันเป็นความสุขหรือความทุกข์อย่าลืมว่าคนจะตายจะมีทุกขเวทนา ม, มากมันต้องเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจริงๆมันยิงย่งจะตายไม่ใช่ตายแบบเฉยๆถ้าตายแบบว่าใจวายเฉยๆนั้นไม่เป็นไรถ้าเส้นสมองแตกเช่นเอิดใหญ่ในสมองแตกปุบปับอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่มีเวทนา ม, มาก แต่ไม่อย่างนั้นตายตามโกติคนเราจะต้องตายก็มีทุกขเวทนาอย่างหนักก็นั่งค่อยคุนโดยดีว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ควรเกิดอีกไหมถ้าเป็นคนที่จะดลาก็คิดว่าเราไม่ควรเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเราหันไปดูนางฟ้าอย่างสาติกีเทวิดาเธอมีความสุขมาก นี่ถ้าเราจะเป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างแเราจะชอบใจไหมอันดับแรกก็ต้องขอตอว่าต้ อ, ตองขอต่อบว่าชอบใจทั้งนี้เพราะอะไรทั้ทงนี้เพราะว่าเทวดานางฟ้ามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความแก่ก็ไม่มีความหิวก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงของชีวิตไม่มีร้อนมากเกินไปไม่มีหนาวเกินไปเมีากายกาก็เย็นสบายเป็นสุข ร่างกายก็ไม่หิวไม่ขอไม่อ่วนมีการทรงตัวจะไปไหนก็มีความสบายนึกปักถึงปุ๊บไม่ต้องใช้ยานภานะไปได้แบบสบายระ บ, บายดีไหมก็ต้องตอบว่าดีไหมตั้งขอขอตอบว่าอยู่ได้ไม่นาน หมดบุญวาสนาบา ร, รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่ดีไม่ดีก็ไหลลงาบยายปุ่งสนนรกไปพระบาปที่ข้างๆไว้ดินแดนที่ดีที่สุดคืออะไรคือนิพพานการไปนิพพานเป็นของดีเราจะไปได้อย่างไรในเมื่อเรานึกถึงความตายสองนึกถึงว่าใจสนาคม เรารับตัเถือสามิสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามาได้ครึ่งทางของวันิกาผ่านแล้วการจะประิ้นผาอีกก็เป็นขอไม่หนักใช้กำลังใจเบาๆคิดว่ามนุษย์สวรก็ดีสิวโลกกด็ ด, กกดีพรมโลกก็ดีเป็นดินแดนที่ไม่สิ่งความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพาาน หลังจากนั้นการทำจิตจะเป็นสังขารุปอเปรียญายานคือวางเฉยต่อโลกทั้งสามเมื่อเจะโลกเจอโลกเจงโลกเราไม่ต้องการเฉยใหม่โลกมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของโลกคนในโลกจะเป็นยังไงู้เรื่องของคนเป็นกฎเป็นกฎองธรรมดาเราก็เฉยต่อไปในเมื่อความตายคือจุติจะเข้ามาถึงเราเราก็เฉยคิดว่า ถ้าจุติเจี่ยวที่นี้แล้วเราก็จะไปนิพพานเพี่ยวท่านี้บรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านเพียงเท่านี้นทุกท่า น, า น, านถ้าจะ ต, ตายเ ม, มื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นอีลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสิทสวัสดิพุทธะนะมงคลสม บ, ล บ, ลบลูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาเจ้าพุทธศาสนิชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี